ตัดสินจากความมีสติเป็นตัวตนอะไรอย่างหนึ่งจะทำโดยพนอมรักเพชเสเถียรเดิมทีคนเราจะมีแต่ความรู้สึกว่ามีตัวตนแน่ๆอยู่ตัวหนึ่งเป็นความรู้สึกดิบๆที่ติดตัวมาแต่อ้อนแต่ออกทีเดียวและสัญชาตญาณอันเกิดขึ้นเอง ก็บังคับให้แต่ละคนรู้สึกเกี่ยวกับตัวของตนต่างกันแม้เด็กอายุแค่ขวบสองขวบก็รู้สึกได้ว่าตนเหนือกว่าเพื่อนๆนแค่ไหนหรือตนด้อยกว่าใครเพียงใดหรือถึงขนาดบอกถูกทีเดียวว่าตนเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะทำตามคําสั่งใดของผู้ใหญ่คนไหนบ้างอย่างไรก็ตามถ้าทบทวนดูคุณจะจาได้ว่า เริ่มต้นชีวิตขึ้นมาความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนยังกวาดแกว่งเอาแน่เอานอนไม่ได้กล่าวคือไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนเข้มข้นชัดเจนนั่นเพราะยังไม่มีบทบาทหน้าที่ที่แน่นอนไม่ทราบว่าตัวเองเป็นใครเมื่อมาอยู่ในโลกนี้กันแน่ลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับความเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างหนึ่งชัดๆ เกิดขึ้นจากการมีหน้าที่ให้รับผิด ช, ชอบเกิดจากการเอาสติและความคิดอ่านไปใช้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายและทางใจก่อให้เกิดผลผลิตเป็นงานตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบหรือแรงสะเทือนกับผู้คนทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลออกไปยกตัวอย่างเช่นแม้อายุอย่างน้อยแต่เด็กบางคนเล่นดนตรีเก่งมาก สามารถสะกดคนนับร้อยนับพันให้นิ่งฟังได้พร้อมกันทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลี้ยงตัวได้โดยไม่ต้องขอเงินพ่อแม่จิตของเขาขณะทำงานย่อมต้องอิ่มเต็มมีสติขแข็งแรงได้ไม่แพ้ผู้ใหญ่คนหนึ่งนั่นเรียกว่าความมีตัวมีตนของเขาปรากฏชัดแล้วว่าเป็นนักดนตรีการเป็นนักดนตรีของเด็กอรฉริยะนั้น มีความหมายว่าเขารู้สึกเต็มตื่นเป็นตัวของตัวเองอยู่กับซ้ำเสียงและการเล่นดนตรีสามารถสร้างความพลิ้วสามารถคิดสร้างสารรค์ดนตรีขึ้นได้เองแต่นั่นยังไม่สำคัญเท่ากับข้อเท็จจริงที่ว่าเขามีพบหรือภาวะที่ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นนักดนตรีแน่แล้วเมื่อมีความแน่นอนอยู่ในตัวตนของนักดนตรี จิตก็จะมีมโนภาพที่แน่นอนขึ้นมาเช่นกันเช่นมโนภาพอันคมคายของคนเก่งมโนภาพอันยิ่งใหญ่เหนือนักดนตรีอื่นๆหรือกระทั่งมโนภาพอัจฉริยะเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปถ้าตายไปอย่างนักดนตรีย่อมไปสู่พบหรือโลกใหม่ของนักดนตรีซึ่งอาจอยู่ในโลกมนุษย์นี้หรืออยู่บนสวรรค์ตามแต่แรงหนุนของบุญอื่น เช่นฐานและศีลสว่างควรกับการกลับมาหรือขึ้นไปทำนองเดียวกันหากคุณมีตัวมีตนที่ตั้งมั่นจะโดยอาศัยอาชีพการงานหรือโดยฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือโดยฐานะอื่นๆที่ปฏิบัติกับใครต่อใครอย่างคงเส้นคงวาคุณจะเห็นว่าภายในของตนเองมีรูปร่างหน้าตาขึ้นมาแบบหนึ่งเสมอ ยิ่งถ้าหากมีความพึงใจในงานขยันหมั่นเพียรในงานเชี่ยวชาญขึ้นใจในงานและฉลาดพัฒนางานก็จะเกิดจิตวิญญาณแบบที่เรียกกันว่ามืออาชีพมีมโนภาพเกี่ยวกับตนเองแจ่มจ้าว่าแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนไม่เหมือนคนอื่นอย่างไรความรู้สึกเต็มภูมิแบบมืออาชีพจะยกระดับให้คุณรู้สึกถึงชีวิตที่มีศักดิ์ศรี มีความนิ่งทรงภูมิตลอดจนมีความสง่างามแบบจิตวิญญาณที่ไม่กระจอกน่าสังเกตด้วยว่าหลายครั้งคุณปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานเป็นเวลายาวนานด้วยความตั้งใจให้งานออกมาดีออกมาประณีตที่สุดอาจเกิดสมาธิเห็นเหมือนสว่างโพลงออกมาจากข้างในสำนึกคิดอ่านขณะนั้นจะ ก, กระจาง นั่นก็เป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการแสดงตัวของจิตวิญญาณได้ขณะหนึ่งจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นตามภาระหรือสาขาอาชีพที่พอจะบอกกล่าวให้ใครๆนึกภาพตามได้มีอยู่มากมายเช่นคนมีจิตวิญญาณความเป็นผู้ให้กำเนิดจะมีมโนภาพสว่างสวายเกี่ยวกับตนเองด้วยความเป็นผู้สามารถให้ชีวิต มีใจคิดรับผิดชอบเลี้ยงดูมนุษย์ตัวน้อยที่เกิดมาจากตนมีพลังความกระตือรือร้นที่จะทำให้ลูกอยู่รอดตลอดจนเติบโตขึ้นเป็นใครคนหนึ่งซึ่งมีค่ามีบทบาทดีๆอยู่ในโลกนี้คนมีจิตวิญญาณความเป็นครูจะมีมโนภาพสว่างสวัยเกี่ยวกับตนเองโดยความเป็นผู้สามารถพูดจาเผยแพร่ความรู้ออกไปกว้าง พร้อมจะตอบคำถามมีพลังความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนความไม่รู้ให้กลายเป็นความรู้เปลี่ยนความไม่เข้าใจให้กลายเป็นเข้าใจคนมีจิตวิญญาณความเป็นหมอจะมีมโนภาพสว่างสวายเกี่ยวกับตนเองโดยความเป็นผู้สามารถขยับมือไม้หรือออกหัวคิดในการรักษา พร้อมจะช่วยเหลือผู้มีความผิดปกติทางกายหรือทางใจให้กลับเป็นปกติมีพลังความกระตือรือร้นที่จะเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บคนมีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจจะมีมโนภาพเข้มข้นเกี่ยวกับตนเองโดยความเป็นผู้สามารถให้ความคุ้มครองสุจริตชนปัดเป่าความเดือดร้อนอันเกิดจากน้ำมือคนชั่วมีพลังความกระตือรือร้น ที่จะสู้รบกับอาชญากรร้ายคนมีจิตวิญญาณความเป็นนักกีฬาจะมีมโนภาพแข็งแรงเกี่ยวกับตนเองโดยความเป็นผู้สามารถใช้ร่างกายและสมองในการเอาชนะมีพลังความกระตือรือร้นที่จะเป็นหนึ่งหรือทําลายสถติติตามเป้าหมายคนมีจิตวิญญาณความเป็นนักการค้า จะมีมโนภาพหนักๆเกี่ยวกับตนเองโดยความเป็นผู้สามารถหาข้าวของที่คนอื่นต้องการมาเก็บไว้เก่งกำไรพร้อมจะให้อะไรที่ใครๆอยากได้แลกเปลี่ยนกับอะไรที่ตนต้องการมีพลังความกระตือรือร้นที่จะทำรายได้ให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆในความเป็นจริงคุณอาจมีได้หลายจิตวิญญาณในคนเดียวเช่นมีจิตวิญญาณของพ่อแม่ด้วย มีจิตวิญญาณของตำรวจด้วยขณะที่บางคนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักการค้าแต่กลับขาดจิตวิญญาณของพ่อแม่เป็นต้นบางท่านที่เก่งหลายด้านเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นทั้งนักสแสดงประธานกรรมการธนาคารอาจารย์มหาวิทยายลัยนายกรัฐมนตรีและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเมื่อมีคนสนิทถามท่านว่าท่านเป็นอะไรกันแน่ ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นนักเขียนซึ่งเป็นพวกที่มีมนโนภาพของการใช้หัวคิดรักการเผยแพร่มุมมองคมคายผ่านตัวอักษรอันนี้พอเป็นตัวอย่างให้เข้าใจได้ว่าคนเราจะเก่งกาจหรือดูเหมือนเป็นอะไรในสายตาใครแค่ไหนแต่ในความรู้สึกของตัวเองจะมีจิตวิญญาณอยู่หนึ่งเดียวที่ปรากฏชัดขึ้นมาว่าจริงกว่าแบบอื่น อาจเป็นจิตวิ ญ, ญญาณที่เจ้าตัวรู้สึกว่าเนี่ยแหละใช่ตนที่สุดนึกถึงตนเองทีไรก็ปรากฏเป็นจิตวิ ญ, ญญาณชนิดนั้นเด่นขึ้นมามากกว่าเพื่อนความรู้สึกว่าเป็นตัวคนอยู่ในบัดนี้แท้จริงคือผลของการผสมรวมจิตวิญ ญ, ญาณลหลายแบบเข้าไว้ด้วยกันขณะมีสติรู้สึกถึงความเป็นตัวเป็น ต, น, ตนแบบใดแบบหนึ่งชัดเจนให้ถามใจว่า มโนภาพอันปรากฏเป็นรูปจิตที่คงเส้นคงวานั้นมีประโยชน์หรือว่ามีโทษกับโลกนี้มากกว่ากันถามใจตัวเองตอบใจตัวเองถ้ามั่นใจที่จะตอบว่าเป็นประโยชน์มากกว่าโทษก็แปลว่ากรรมอันเกิดจากตัวตนแบบนั้นๆของคุณเป็นบุญมากกว่าบาปแต่ถ้าจำต้องตอบตอนเองตามตรงว่า เป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์ก็แปลว่ากรรมอันเกิดจากตัวตนแบบนั้นๆของคุณเป็นบาปมากกว่าบุญและหากตอบไม่ถูกจริงๆตัดสินไม่ได้ชัดๆว่าระหว่างประโยชน์กับโทษอย่างไหนที่ตัวตนแบบหนึ่งๆของคุณมีให้โลกนี้มากกว่ากันก็ให้สันนิษฐานว่าตัวตนแบบนั้นๆยังไม่ได้สร้างบาปไวมากนักแต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้สั่งสมบุญไว้อย่างน่าอุ่นใจพอด้วย